ตลาดอพอราท่านผู้มีมิจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาสีง มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสร้างที่พึ่งทางใจเพราะชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจที่ต้องอาศัยที่พึ่งแต่ที่พึ่งของร่างกายกับที่พึ่งของใจนี้ เป็นคนละส่วนกันคนละเรื่องกันที่พึ่งของร่างกายคืออะไรก็คือปัจจัยสี่เช่นอาหารเครื่องรุ่หงห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่คือที่พึ่งของร่างกายที่จำเป็นจะต้องมีขาดไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ร่างกายก็จะต้องเดือดร้อนร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายไปได้เราจึงต้องหาปัจจัยสี่กันอยู่ตลอดเวลาทุกวันที่เราไปทำมาหากินไปทำอะไรต่างๆนี่เป้าหมายหลักของพวกเราก็คือการหาที่พึ่งทางร่างกายกันเพื่อให้ร่างกายของเรา อยู่เย็นเป็นสุขแต่ที่พึ่งทางร่างกายนี้ไม่สามารถให้ใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขได้ต่อให้เรามีอาหารมีที่พึ่งทางร่างกายระดับของมหาเศรษฐีก็ตามแต่ที่พึ่งของทางร่างกายนี้จะไม่สามารถที่จะมาเป็นที่พึ่งของใจได้เลยเวลาใจ ไม่สบายมีความทุกข์ทรมานใจที่พึ่งทางร่างกายนี้ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจนั่นเองที่พึ่งของใจนี้ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่เรียกว่าสาระที่พึ่งที่สูงสุดถ้าผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้ว ผู้นั้นจะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจจิตใจจะมีแต่ความร่มเงย็นเป็นสุขไปตลอดไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามจิตใจจะไม่หวั่นไหวจะไม่เดือดร้อนดังนั้นนอกจากการที่เราต้องมีที่พึ่งทางร่างกายแล้วเราก็ต้องมีที่พึ่งทางใจด้วยเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเข้าหานี้ก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงคือยังไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นเหมือนกับป้ายโฆษณาสินค้าเวลาเราเห็นเขาติดป้ายโฆษณาบ้านโฆษณาร้านอาหารโฆษณาเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าโฆษณา ขายาโรงพยาบาลป้ายเหล่านั้นยังไม่เป็นที่พึ่งทางร่างกายได้เพียงแต่เห็นป้ายว่ามีบ้านขายมีเสื้อผ้าขายมีที่อยู่อาศัยขายมีโรงพยาบาลไว้รักษาโรค ภ, ภัยไข้เจ็บแต่ป้ายเหล่านั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งทางร่างกายได้เพียงแต่บอกให้เรารู้ว่าเขามีสินค้าเหล่านี้อยู่ ถ้าเราอยากจะได้สินค้าเหล่านี้เราก็ต้องไปซื้อเขาติดป้ายขายบ้านเราก็ต้องไปติดต่อที่สำนัก ง, งานขายบ้านจองบ้านเอาไว้แล้วเขาก็จะสร้างบ้านให้กับเราพอสร้างบ้านเสร็จเราก็ย้ายเข้าไปอยู่ได้เราถึงจะได้ที่พึ่งได้ที่อยู่อาศัยแต่การดูป้ายเห็นป้ายนี้ยังไม่เป็นที่พึ่ง สันใดการที่เราเห็นพระพุทธรูปการที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เราได้ไปกราบพระอริยสงสารโลกต่างๆนั้นยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้มาเป็นที่พึ่งของใจเราได้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจความวุ่นวายใจความเดือดเนื้อร้อนใจของพวกเราได้ เพราท่านเหล่านั้นเป็นเหมือนป้ายโฆษณาสินค้านั่นเองโฆษณาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ต้องเข้าไปในใจของเราเราต้องไปซื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกให้เอาเข้ามาข้างในใจของเราเหมือนกับที่เราไปซื้อบ้านซื้อเครื่องนุ่งหม่ม ซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อให้เราได้มีให้ร่างกายของเราได้มีที่พึ่งฉันใดการที่เรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชามีหนังสือธรรมะมีซีดีธรรมะให้ฟังมีพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนให้พวกเราปฏิบัติถ้าพวกเรา ไม่น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจของพวกเราเราก็ยังจะไม่มีที่พึ่งเราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาภายในใจของเราและวิธีการที่จะนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ใจก็คือขั้นที่หนึ่งเราต้องศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรจึงทำให้ท่านได้มีที่พึ่งแล้วเราจะต้องดูตัวอย่างของท่านดูตัวอย่างของพระอริยสงสาวกคู่ที่หลังจากได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้ว ก็ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆการบรรลุธรรมนี่แหละคือการนำเอาที่พึ่งเข้ามาสู่ใจพระอริยสงสารกก่อนที่ท่านจะเป็นสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่จิตใจยังไม่มีที่พึ่งยังมีความทุกข์ร้อนใจเดือดร้อนใจวุ่นวายใจวิตกกังวลหวาดกลัว กับสิ่งต่างๆกับเรื่องราวต่างๆแต่พอท่านได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาวิถีชีวิตของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปปฏิบัติตามพอท่านได้ปฏิบัติตามแล้วท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆการได้บรรลุธรรมก็เกิด การได้ที่พึ่งขึ้นมาในใจนั่นเองพอท่านได้บรรลุธรรมมีธรรมอยู่ภายในใจใจของท่านก็หลุดพ้นจากความไม่สบายใจต่างๆมีที่พึ่งที่จะปกป้องรักษาใจไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจเหมือนกับเรามีที่พึ่งทางร่างกาย ทำให้ร่างกายเราอยู่อย่างสบายปลอดภัยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอาหารให้รับประทานอิ่มหนำสำราญมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆให้สวมใส่มียารักษาโรคไว้รักษาเวลาที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเงินงก็คือที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางใจเราก็ต้องปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติให้ทาอะไรเมื่อท่านสอนแล้วเราก็นำเอามาปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจพอปฏิบัติแล้วเราได้บรรลุทำขั้นต่างๆทำที่เราได้บรรลุนี่แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราดังนั้นเราขั้นแรกต้องหมั่นศึกษา ก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรเข้าวัดกันสักหนึ่งครั้งเพื่อฟังเทศฟังธรรมกันแต่สมัยนี้นี้พวกเรามีวัสนามมีโอกาสมากกว่าสมัยพระพุทธกาลเพราะมีสื่อที่จะแสดงธรรมได้ตลอดเวลาไม่เหมือนสมัยก่อน ต้องรอไปวดัดไปหาพระไปฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปได้อาค决อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็เพราะว่าต้องไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสร้างที่พึ่งทางร่างกายจึงมีเวลาว่างในวันหยุดหนึ่งวันก็เลยไปวัดกันเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมก็เลยถือว่าการฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี้ ควรจะเป็นสิ่งที่สาธุชนพุทธบริษัทควรจะกระทำกันเพราะจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองกาเลนะธรรมัสวนรเอตัมมังกัลลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะเราจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการฟังธรรมนั่นเอง ประโยชน์ที่ฟังที่จะได้จากการฟังธรรมก็มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือ 1- เราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เราได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้ำบ่อยๆเราก็จะเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3- จะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4- จะทําให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องอาจะทําให้จิตใจเราผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราเป็นเหมือนคนไม่รู้ทางเราอยากจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่ง ก่อนที่เราจะออกเดินทางได้เราก็ต้องถามทางก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นไปทิศใดทางใดถ้าเราไม่มีคนบอกทางไม่มีแผนที่เราก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ฉันใดพวกเราทุกคนก็มีความปรารถนา ที่อยากจะอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราก็ต้องศึกษาจากผู้รู้ผู้รู้ที่รู้เรื่องของจิตใจรู้เรื่องของการดับความทุกข์การป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นแก่จิตใจการสร้างความสุขให้แก่จิตใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเราจึงต้อง มันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปทิศใดเดินทางอย่างไรเพื่อที่เราจะได้รับผลที่เราอยากจะได้กันตอนนี้จิตใจของพวกเรายัางวุ่นวายอยู่ใช่ไหมยังมีความวิตกกังวลอยู่ใช่ไหมยังมีความหวาดกลัวอยู่ใช่ไหม ยังร้องหมร้องห้าอยู่ใช่ไหมยังมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่ใช่ไหมมีความว้าเหวอยู่ใช่ไหมนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่มีที่พึ่งทางใจนั้นเองถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วใจของเรานี้จะเป็นปกติจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่หวาดกลัว ไม่วุ่นวายใจนี่แหละคือผลที่เราต้องการจากการสร้างที่พึ่งทางใจคือให้ใจของเรานี้อยู่อย่างโร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่ว่าเวลาเราจะต้องพัดพลากจากสิ่งต่างๆ จากบุคคลต่างๆใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจของเรามีที่พึ่งนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เรามีบ้านอยู่อาศัยเวลาเกิดพายุเกิดฝนตกเกิดแดดออกแดดร้อนเราก็อยู่ในบ้านปลอดภัยไม่เดือดร้อนกับพายุไม่เดือดร้อนกับฝนตกไม่เดือดร้อนกับแดดออกร้อน เพราะร่างกายของเรามีที่หลบภัยใจของเราถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วใจของเราก็จะมีที่หลบภัยดังนั้นเราต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทาอะไรบ้างถ้าเราฟังบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติ อยู่สามข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อใหญ่ๆที่มีรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาตามลำดับต่อไป แต่ในเบื้องต้นนี้ขอให้เรารู้สาข้อใหญ่ๆนี้ข้อที่หนึ่งก็คือละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงบาปคืออะไรบาปก็คือการกระทำที่จะทำให้เกิดโทษกับผู้อื่นหรือเกิดโทษกับตัวเราหรือเกิดโทษกับผู้อื่นและตัวเราเช่นการฆ่าการลักทรัพย์การระพุ้ดผิดประเวณี การพูดปลดมดเทศโกโหกดอกหลวงและการเสพสุรายาเมาอบายามุกต่างๆการกระทำเหล่านี้จะทำให้เกิดโทษกับตัวเราหรือเกิดโทษกับผู้อื่นหรือเกิดโทษทั้งผู้อื่นและตัวเราเช่นเวลาเราไปลักทรัพย์เราก็ไปสร้างโทษให้แก่ผู้สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น พอผู้ที่เขาเสียทรัพย์ไปเขาก็จะต้องเดือดร้อนเขาก็จะต้องเสียใจถ้าผู้อื่นเขามารักทรัพย์ของเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็จะรู้สึกเหมือนกับเวลาที่เราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นนั่นแหละผู้อื่นเขาก็จะต้องมีความรู้สึกเหมือนกับเราอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ โทษเกิดจับเราเราก็อย่าไปทำโทษสร้างโทษให้แก่ผู้อื่นอย่าไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะถ้าเราไปลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเขาก็จะต้องมาตามหาตัวเรามาตามจับเราเขาจับเราได้เขาก็จับเราไปขังคุกขังตารางเราก็ต้องเสียอิสรภาพไปนี่คือโทษที่จะเกิดขึ้ น, นจากการทำบา หรือจากการเสพอบายมุขเช่นการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์ดื่มสุราแล้วก็เสียเงินเสียทองเสียสติเสียสุขภาพเสียเวลาแล้วก็ไปกระทำสิ่งที่เสียหายแก่ผู้อื่น ไปพูดจาอยากคายทะเลา ะ, ะเบาะแว i g กับผู้อื่นไปทุบตีผู้อื่นถ้าไปขับรถก็อาจจะไปขับรถชนผู้อื่นให้เกิดถึงความตายได้นี่คือการกระทำที่พวกเราจะต้องไม่กระทากันถ้าเราอยากจะให้ใจของเราอยู่เป็นปกติถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับการฆ่าการลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพอบายมุกต่างๆเพราะเราไม่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้นั่นเองเมื่อไม่กระทำความวุ่นวายใจความทุกข์ใจที่จะเกิดจากการกระทำสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีเราต้องดูเหตุดูผลความทุกข์ใจของเรานี้ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของเราเองเราไปทำไม่ดีเองแล้วเราก็มาเสียใจ มาวุ่นวายใจแล้วอยากจะลบล้างมันลบลบล้างไม่ได้กรรมทาไปแล้วมันก็ต้องสมผลเหมือนกับเราเคลืยงก้อนหินไปแล้วเราจะไปดึงมันกลับมาไม่ได้แล้วเคลื่อก้อนหินไปสายบ้านของคนอื่นเขามันก็ต้องไปตกในบ้านของคนอื่นพอไปตกในบ้านของคนอื่นเจ้าของบ้านเขาก็เดือดร้อนเขาก็โกรธเราเขาก็เควื่ก้อนหิกนนั้นกลับมาที่บ้านเรา เราก็เดือดร้อนถ้าเราไม่เคลื่อนก้อนหินไปใส่บ้านเขาก้อนหินนั้นก็ไม่กลับมาใส่บ้านเราเราก็จะไม่เดือดร้อนดังนั้นขอให้เราดูการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นการกระทําทางกายทางวาจาก็ตามหรือทางใจก็ตามถ้าทำไปในทางที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือตัวเราเดือดร้อนเราต้องยับยั้งทันที เช่นเวลาที่เราจะคิดจะทำบาปจะคิดโกหกจะคิดลักทรัพย์เราก็ต้องหยุดความคิดนี้ทันทีเพราะการกระทำนี้ต้องมีความคิดเป็นผู้นำทางก่อนถ้าไม่มีความคิดก็จะไม่มีการกระทำตามมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะกระทำสิ่งที่ไม่ดีเราต้องคอยเฝ้าดูความคิดของเราเหมือนกับตำรวจคอยเฝ้าดูโจรผู้ร้าย ถ้าตำรวจคอยเฝ้าโดดผู้ร้ายพอผู้ร้ายจะมาทำจารกรรมตำรวจก็สามารถยับยั้งไว้ทันท่วงทีความเสียหายต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราให้มีสติดูความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ให้หยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็ให้ใช้พุทธโธช่วย ให้เราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าปณิกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจเดียวเดียวเราก็จะไม่ได้คิดถึงเรื่องที่อยากจะทำอีกต่อไปนี่คือวิธีที่เราจะสามารถป้องกันไม่ให้เราไปกระทำบาปทั้งปวงได้เราต้องมีสติเราต้องหมั่นเจริญพุทโธพุทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆแล้วพอใจเราไปคิด ที่จะทำบาปเราก็จะใช้พุโทโธหยุดมันได้หรือพอเรารู้ว่าคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดคิดได้แต่ถ้าเราไม่ดูที่ใจเราเราไปดูของข้างนอกเห็นของสวยของงามอยากจะได้พอเราไม่มีเงินซื้อเราก็จะไปขโมยมาทันทีเพราะว่าเราไม่ได้ดูที่ใจไม่ได้ดูว่าเรากำลังคิดจะไปขโมย ถ้าเรารู้ว่าการลักทรัพย์ ก, พยการขโมยนี้เป็นการกระทําบาปพระพุทธเจ้าทรงสอนห้ามไม่ให้เรากระทาถ้าเราไม่รู้เราก็จะทําทําแล้วเราก็จะเกิดความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเรารู้และเราไม่ทําเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ตามมาใจก็เรามีที่พึ่งแล้วนี่ก็เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นที่ขั้นแล้วขั้นที่หนึ่งแล้วก็คือ บรรลุการไม่ทำบาปได้แล้วถ้าเราไม่ทำบาปได้แล้วเราก็ปลอดภัยไม่มีความทุกข์ใจไม่มีโทษตามมาแล้วตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายก็คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปมีอยู่ที่สี่ที่ด้วยกันคือเดระฉานเปรตอสุรกายและนารกถ้าเรา ไม่ทำบาปตายไปเราก็ไม่ต้องไปถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญไม่ได้เราตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราทำข้อที่สองได้ก็คือสร้างกุศลให้ถึงพร้อมคือสร้างบุญต่างๆให้เกิดขึ้นทำความดีต่างๆให้เกิดขึ้นมาภายในใจเช่นทำทานเช่นช่วยเหลือผู้อื่นเช่น มีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนฟังเทศฟังธรรมมีความเห็นที่ถูกต้องการกระทาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลเวลาเราสร้างกุศลแล้วใจของเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสบายใจขึ้นมาถ้าเราตายไป เราก็จะไปรับผลบุญจากการสร้างบุญสร้างกุศลในสวรรค์ก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราทำคำสอนข้อที่สมที่พทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้ก็คือให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่เราต้องชำระคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลง ความโลภความโกรธความหลงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหมือนเชื้อโรคของร่างกายแ ต, แต่นี่เป็นเชื้อโรคของใจร่างกายเวลารับเชื้อโรคเข้าไปร่างกายก็จะต้องไม่สบายและถึงแก่ความตายได้เช่นสมัยนี้ถ้าไปรับเชื้อเอชเข้าไปเอชไอวี HIV เข้าไปในร่างกายก็จะถึงความตายได้ ฉันใดถ้าเรามีเชื่อโลกของใจคือมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจใจของเราก็จะต้องทุกข์ต้องวุ่นวายขึ้นมาทันทีเวลาที่เกิดความโลภนี้ใจของเราอยู่เป็นสุขไหมอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าพออยากจะได้อะไรขึ้นมานี้อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว ก, วกวังวลกังวยกระสับกระสาย เวลาอยู่บ้านเฉยๆแล้วอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนี้อยู่บ้านไม่ได้แล้วอยู่แล้วรู้สึกทุกข์ทรมานใจต้องออกไปเที่ยวก่อนถึงจะสบายใจพอกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวไม่นานก็เกิดความอยากออกไปเที่ยวอีกอันนี้แหละคือความโลภที่ทําให้เราต้องวุ่นวายใจแล้วถ้าเราไม่ระมัดระวัง ก็จะพาให้เราไปทำบาปต่อไปได้เช่นเราอยากจะไปเที่ยวแต่เราไม่มีเงินเราก็ไปขโมยเงินของผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้มีเงินไปเที่ยวก็ทาให้เราต้องไปทาบาปถ้าเราไม่อยากจะมีความวุ่นวายใจความกังวลกัววายอยู่ไม่เป็นสุขเราก็ต้องมาหยุดความโลภให้ได้ถ้าเราหยุดได้เราก็จะอยู่อย่างเป็นสุข แล้วความโกรธของเรานี้ก็เกิดจากความโลภเช่นเดียวกันเวลาเราโลภอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้มีคนมาขัดใจเราเราก็จะโกรธคนที่มาขัดใจเราเช่นเราอยากจะซื้อของไปขอเงินพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้ก็โกรธพ่อแม่ขึ้นมาเพราะไม่ได้ดังใจอยากไม่ได้ทำตามความโลภ ถ้าเราไม่อยากจะโกรธใครเราก็อย่ามีความโลภอย่ามีความอยากถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ใจและเหตุที่ทำให้เราเกิดความโลภก็คือความหลงความหลงคืออะไรก็คือความไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนนั่นเอง ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่ความไม่โลภความไม่โกรธนี่เองเราไม่รู้เราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราอย่าไปโลภอย่าไปโกรธเพราะมันจะทําให้เราวุ่นวายใจแล้วต่อให้เราได้ทําตามความโลภ ได้อะไรมาตามความโลภมากน้อยเพียงไรความโลภ ก, ก็ไม่หมดไปตั้งแต่เราเกิดมานี่เราโลภอยากได้อะไรโลภอยากทำอะไรมามากน้อยเพียงไรแล้วตอนนี้ความโลภมันหมดไปหรือยังมันไม่มีวันหมดการที่จะทำให้มันหมดไปได้นะั้นก็คือต้องไม่ทำตามมันเท่านั้นเองเนี่ยีแหละคือวิธีชำระใจเราต้องอย่าไปโลภอย่าไปทำตามความโลภ ทำตามความจําเป็นไม่เป็นไรเช่นเวลาถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็รับประทานอย่างนี้ไม่เป็นความโลภแต่ถ้ารับประทานอิ่มแล้วยังอยากจะรับประทานต่ออย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภบางทีรับประทานอาหารเสร็จไปเดียวเดียวอาหารยังไม่ทันย่อยเลยอยากจะรับประทานอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภถ้าโลภแล้วเราต้องฝืนอย่าไปทํามัน ถ้าเราฝืนได้แล้วเราก็จะไม่ไม่โลภแล้วต่อไปความโลภมันก็จะหมดไปเราต้องใช้เหตุใช้ผลเวลาเราโลภอยากได้อะไรต้องถามว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่เราโลภนี้แล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปมีมันไม่ต้องไปทามันอยู่เฉยๆดีกว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่เป็นก็หัด นั่งพุโทโธพุธโทโธไปเวลาเกิดความโลภ ก, ก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปได้เรื่อยๆความโลภต่างๆก็จะหายไปความโกรธก็จะไม่เกิดตามขึ้นมานี่แหละคือวิธีชำระใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะบรรลุธรรมกัน เราก็จะมีทมเป็นที่พึ่งของใจดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทาตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือละบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดโดยสุดถ้าเราปฏิบัติตามได้ทั้งสามข้อเราก็จะมีที่พึ่งทางใจใจของเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะอยู่อย่างปกติจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อความนุ่มเย็นเป็นสุขของจิตใจที่จะตามมาต่อไป